พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ิกพฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ตาบอด วันนี้เป็นวันที่26เพิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2558เขตกระถินปีพุทธศักราช2558อาถ้าจะว่าจบและกระจบเมื่อวานเป็นวันเดือน12เสอเพนเป็นวันลอยกระทงเป็นวันสิ้นสุดของกระถินต่อนนี้ไปก็คงจะเป็น ถึงจะทำไปทาบุญทอดอทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็เป็นการทำบุญทอดผ้าป่า่าผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนหรือว่าการก่อสร้างอะไรก็ต่อไปก็คงจะเป็นผ้าป่าสามัคคีแหละทหมดเขตกะถินตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงยังไงพวก เราในวันนี้ก็คงจะมีเด็กนักเรียนจากราชินุทิศที่ได้มาบอกกับหลวงพ่อไว้ว่าจะมาทอดผ้าป่าหาทุนเพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมในสำนักชีบ้านสวน จากนี้ไปเขาประมาณสัก5้ากกิโล7กิโลเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายอุบาสิกาที่หลวงพ่อได้ไปริเริ่มไปก่อตั้งขึ้นมาสำหรับเป็นฝ่ายปฏิบัติธรรมเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ48ไร่และเรี๋ยวนี้กำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็พร้อมกันก็ทำ ที่พักสำหรับฝ่ายอุบาสิกาเป็นห้องๆสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนเนคขำตําบวชเป็นชีก็ได้หรือว่าบวชปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดชั่วขาวก็ได้หรือว่าผู้มาพักพาอาศัยที่จะมาทำบุญก็ไปพักที่นั่นก็ได้เป็นฝ่ายอุบาสิกา สถานที่หลวงพ่อก็ไปดูก็เหมาะดีวันนั้นนักเรียนที่มาค่าวนี่ก็คงจะมาร่วมสมทบเพราะหลวงพ่อได้ตกลงกับบริษัทสร้างอาคารแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าววันนี้นักเรียนก็คงรายจินุเทศก็จะมาประมาณสักห้าหกร้อยคนทั้งครูบาอาจารย์ปีที่แล้วก็มานะ บางปีหลวงพ่อก็ด้ไปแสดงธรรมที่โรงเรียนเขาจะเน้นหนักนักเรียนปอมอสามนักเรียนมสม <c oughs> ที่จะขยับม .4 สี 5, ม่มอห้ามหกแล้วก็แต่ละปีก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันบางปีก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะเอาทุนนักเรียนที่มา ทอดผ้าป่าเพื่ออะไรบางปีหลวงพ่อก็บอกว่าเพื่อพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินก็มีหรือว่าสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะว่าลูกหลานเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของหลวงตาสมัยเมื่อหลวงตายังสงทัดสงขันอยู่ครูบาอาจารย์ก็พาไปกราบไปไหว้องค์หลวงตา เพรนั้นเวลาหลวงตาหลวงรับดับขันจุตินิ่พ า, านไปแล้วก่ลูกหลานก็โคกโกวลจะมีส่วนร่วมถึงจะมากหรือน้อยก็ควรจะสร้างพระจดีขององค์หลวงตาบางทีก็สมทบขอจุดนั้นแต่ปีนี้เขาก็ถามีกว่าลุงพ่อจะให้สมทบข้อจุดไหนหลวงพ่อเออปีนี้รู้สึกว่าลุงพ่อได้เซ็นสัญญากับบริษัทที่จะสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมกับที่พักของฝ่ายอุบาสิกาเนี่ยห้าล้านกว่านะลูกหลานนะถ้าเอาเข้าจุดนี้ก็ดีเหมือนกันก็ได้เป็ น, ปนอันก็เป็นอันว่าได้เอามาร่วมสมทบจะเอาเข้าจุดนี้ทีไ เ, เพื่อสร้างสถานนี้ปฏิบัติธรรมก็พอเหมาะนัหละเพราะว่าเด็กนักเรียนทั้งหลายกับเป็นราชินูทิดก็มีเป็นเด็กนักเรียนหญิงอยู่แล้วลต่อไปภายภาคหน้า ถ้าว่าได้ทำการทำงานาหรือว่าท่านนักเรียนหญิงคนใดอยากสนใจในภาคปฏิบัติจิตภาวนาก็มาภาวนาได้เหมือนกับสร้างให้ตนเองเมื่อกัางลงทุนให้ตนเองก็ไม่ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะพอลุงพ่อสร้างเส่็จแล้วลุงพ่อก็คิดว่าไม่ไม่ไปพักลุงพ่อเป็นพระใช่สร้างเข้ามาสร้าง ไ, ได้แล้วก็เป็นฝ่ายอุบาสิก า, เ, าเป็นฝ่ายผู้หญิง ไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็จะเกิดประโยชน์เพราะในวัดของเราถึงจะวัดกว้างกวาจริงอยู่แต่วัดที่ทำเลที่ทำเลที่ฝ่ายอุบาสิกาเนี่ยแคบไปพอะมันติดแม่น้ำแต่จะขยับขึ้นไปก็เป็นโซนของพระซะแต่โซนของพระเนี่ยกว้างขวางเพราะเนื้อที่วัดของเรา1 3 5พกว่าหัวไร่ ว่างพอสมควรแต่กระหมาะแก่การประพฤติธปฏิบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มาอยู่ที่วัดของหลวงพ่ออะไนะตตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติปลีกวิเวกได้เราจะหลบไปวิเวกตรงไหนทางหลังวัดเพราะว่าเสนาสะนะหรือว่ากุฏิเล็กๆอยู่ทางหลังวัด ทานเราหลบหลีกไปภาวนาจะไม่ให้เห็นใครเลยก็ได้ทั้งวันหลวงพ่อว่าเหมาะนะเพราะหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาปฏิบัติตนมาสมัยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดบางทีหลวงพ่ออดอาหารอดไม่ฉันอาหารเจ็ดวันบ้างสิบกว่าวันบ้างสี่ห้าวันบ้างแต่สมัยนั้นน้ํายังไม่มีที่วัดป่าบ้านตาดัดต้องเข็นน้าไปเตรียมเอาไว้ ในตุ่มขนน้ำไปใส่ในตุ่มเอาไว้ขนก็เลยความยากลาบากเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาหิ้วเข้าไปค่อยเท เ, เมื่อเสร็จแล้วก็นนะเราก็ตั้งตนว่าเราจะอดอาหารเราจะพยายามให้สติอยู่กับตัวเองอให้มากที่สุดในขณะที่อดอาหารเราจะอยู่ตามลำพัง เ, เราจะไม่พบกับใคร เราจะอยู่ตามลำพังเราจะพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่คืนนี้ลหละพอเราจะอดอาหารเราเรารู้แล้วว่าเราจะอดอาหารเราก็ไม่มาออกมาเพลผ่านไม่ออกมาทากิจวัตรเราก็บอกกับครูบาอาจารย์หมูพกเ<ส>พื่อนผมจะอดอาหารเนอะผมจะได้ไม่นามาช่วยศาลาเนอะ อยาใเราก่ออดอาหารอยู่ตามลำพังตั้งสติสัมปชัญญะตั้งสติอยู่กับตนเองบังคับให้สติอยู่กับตนเองข้าพเจ้าจะพยายามทำให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนหลับยืนเดินนั่งนอนถ้าหลับไปแล้วก็เ อ, อือไปว่ามันขาดไปแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ย ต้องให้อยู่กับพุทโธเลยหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธอันนี้ได้ผลนะได้ผลอย่างมากเลยเพราะเรามีความใส่ใจสนใจเพราะเรามาภาวนาเราไม่ได้อดอาหารมาคิดปรุงฟุงซ่านไปทางอื่นเราไม่ได้คิดเราขมาอดอาหารคราวนี้เพื่ออะไรเราอดอาหารเพื่อภาวนาเพื่อบังคับใจของเราให้อยู่ กับกรรมฐานให้สติให้สติอยู่กับตนเองเว่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นคาว่าอธิษฐานคํานี้นะคือว่าตั้งใจมั่นให้มีสติอยู่กับตนเองให้อยู่กับตนเองในขณะที่เราจูตามลำพังอดอาหารจากนั้นก็เดินจงกรมขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโทพุทโทพุทโท เวลาปัดกวาดกับมีสติเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโทยมีสติอยู่ในอริยบทในการปัดกวาดในการนอนกับพอมันเหนื่อยมากแล้วก็นอนตะแคงขวาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโธพุทธโทพุทธโธมันหลับไปพอมันหลับตายตื่นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพออยู่ที่ไหนรู้อ้ไรอยู่ที่ไหยอ้าว เราบังคับเราจะให้มีสติอยู่กับตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใหม่เมื่อก็ยากเหมือนกันนะแต่พอต่อมาเนี่ยมันจิตใจอยู่กับตนเองนะโอ้สติอยู่กับตนเองไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานพระเนร์มันมีความสุขมันมีความเย็นใจมันมันมีความรู้สึกมีความสุขในลึกๆเมื่อมีสติจะกอยู่กับตัวเองไม่มี อารมณ์อะไรเอามาเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเป็นหนึ่งแต่ไม่ถึงกับสงบนิ่งนะแต่ว่ามันอยู่กับตนเองการเคลื่อนไหวของตัวเองรู้จักหมดเลยทีการเปลี่ยนอริยบทแต่นี้ที่เราก็พออยู่วันสองวันแรกนั่นนะรู้สึกว่าเราก็ฐานบังคับ พอต่อมามันก็อยู่ตามปกติพอเอวันจะออกวันที่ห้าวันที่หกนะมันจะออกกดกดทหารเจ็ดวันแล้วก็ถึงวันที่เจ็ดเราจะออกและวนะพอเราคิดว่าวันจะออกวันที่เจ็ดเท่านั้นวันที่หกเท่านั้นนะมันเริ่มขยับออกเลยนะทีนี้มันขยับออกดึงไว้ขยับออกไปดึงเออพอที่สุดออกไปออกไปจริงจริงแล้วก็นึกย้อนหลังดูที่ว่า สติอยู่กับตัวเองในขณะที่เราเราตั้งใจภาวนากับอารมณ์ที่มันมันออกไปนั่นะมันเป็นลักษณะอย่างไงโอ้ันเห็นได้ชัดนะมันคนละเรื่องกันเลยเพราะนั้นเรื่องที่ว่าสติคือความสงบนั่นิสันติปรางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี อันนี้ไม่ใช่วความสงบแบบอับปปนาสมาธินะเพียงเด็กความสงบเพียงอุปจาระเท่านั้นเองอุปจาระไปว่าใจของเรารู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่มันไม่ออกนอกลูก่นอกทางมันอยู่ในขอบมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในสติของเราควบคุมควบคุมสถานการณ์ไม่ให้จิตของเราทะเลถลาออกไปหา กินสาบฉวยออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าบังคับให้อยู่ในกรอบเพียงแค่นั้นนะ เ, เพียงอุปจาระเท่านั้นก็ยังเห็นได้ชัดเลยรู้ได้ด้วยตนเองนะว่ามีความสุขมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากทีเดียวจําไม่ลืมพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องกิตจภาวนาเรื่องภาวนาเนะี่ยมันต้องอยู่ในหมุมสงบ อย่างวัดของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนื้อที่ทั้งหมด 1,350 ไร่มีกำแพงล้อมรอบออน้ำไม่ได้ไม่ได้ตอกไม่ได้ต้องตักไม่ต้องหาน้ำเราเอาไว้เป็นจุดเป็นจุดสำหรับให้พระผู้ปฏิบัตเิเราจะมาอาบน้ำตามลำพัง เ, เราจะมาใช้น้ำก็ได้แต่น้ำของเรา เราก็เอาพิสูจน์อีกต่างหากเอาไปพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาหรือขอนแก่นบ่าน้ํานี่มีแร่สารอะไรบ้างที่เป็นพิษภัยต่อร่างกายเขาก็เอาไปตรวจพิสูจน์ดูแล้วว่าดื่มได้น้ําของเรานี่นะแต่ตามไม่จริงก็ไม่น่าจะดื่มหรกดื่มน้ําฝนจะดีกว่าแต่นี้ก็บอกว่าไม่เป็นพิษภัยเพราะหลวงพ่อเองก็เพราะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ามาเกี่ยวข้องมากหน้าหลายตา เพราะนั่นเรื่องความปลอดภัยในสิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อก็ต้อง เ, อเมื่อขุดเจาะขึ้นมาแล้วมีน้ําเป็นน้ําบาดาลมาแล้วเราก็ต้องเอาไปตรวจพิสูจน์ดูว่าน้ํานี่จะมีสารพิษไหมมีแร่แปลกแตกต่างที่ทําให้คนดื่มแล้วคนกินเข้าไปะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไหมนี่หลวงพ่อเอาไปตรวจพิสูจน์ดูแล้วนะไม่มีปัญหาดื่มได้แต่ก็มี อะไรสารกระด้างอยู่บ้างคำว่ากันนะคล้ายๆกับว่ามีหินปูนมีเห็นปูนปอยู่บ้างนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับอันตรายต่อสุขภาพนี่แหละอันนี้ก็คือน้ำของเราที่หลวงพ่อได้เอาไปพิสูจน์นะให้ทางมหาวิทยาลัยทางขนแกน่นทางจุฬานะเขาตรวจดูแล้วอันนี้ก็คือ การเป็นอยู่หรือว่าการประพฤติปฏิบัติในวัดของเราที่จะเป็นพิษภัยส่วนอื่นก็ไม่มีมีแต่ระเวียงระวังเรื่องอสรพิษพวกงูท่ากลางคืนแล้วก็จุดไฟซะมันเห็นแสงไฟมันก็กลัวแล้วพวกสัตว์นะพอสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีไฟเลยมันไปที่ไหนมันไม่มีไฟเหมือนคนมนุษย์เนยพอมันเห็นแสงไฟเท่านั้นแหละมันก็กลัว ไม่กลัวจะพวกแมลงเมานะแมลงเม่ า, มาแมล ง, มงตัวเล็กๆเออนั้นมันไม่กลัวเพราะมันไม่รู้อีกอันนี้คือแสงสว่างมันก็เหมือนกับว่าเป็นพระทิศพระจันทร์บินเข้ามาฝนฤสูเข้ามาชนไฟบางทีก็มีปัญหาสําหรับผู้ที่ลังเกียจในการสัระศัพท์ทางหลายเ อ, อ้เราจุดเทียนเนี่ยจุดเทียนเนี่ยมแมลงเข้ามาบินเข้ามาชนเนย แมันจะไม่เป็นบาปกรรมสาหรับเราเลยนะอันนี้ท่านก็ได้คิดท่านก็ได้หาตะขายตะขายมุ้งลวดมาครอบซะก่อนอย่างนั้นก็มีแต่ที่ยังไงก็ตามเรื่องเจตนาหังพิกเวกรรมมังวดามิท่านไม่มีเจตนาและไม่เป็นไม่เป็นบาปไม่ผิดศีลอย่างยกตัวอย่างพระจักคู่บาน ท่านไปภาวนาท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วน้องชายก็ส่งคนไปรับมาไว้มาที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารจากนั้นเศรษฐีที่เป็นน้องชายท่านก็สร้างกุฏิให้พี่ชายให้ปฏิบัติแล้วก็มีลาวจับที่ออกกําลังกายท่านก็เดินยังกลมท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วท่านขยันอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เปลี่ยนอริยบทเดินจังกลม พอเดินจงกลมกลางคืนมาพันก็เดินอยู่กลมท่านก็เหยียบแมลงเมามาเลียงแลงเมาตายเกลื่อนเลยท่านก็เหยียบท่านก็ไม่เห็นเนี่ยท่านหลับตาตาบอดพระหันตาบอดแต่ใจของท่านไม่บอดแต่ตาของท่านบอดท่านก็เดินจงกลมพอทีนี้ท่านตอนสายวันหนึ่งตอนสายวันหนึ่งพระ อยู่ในชนนบทคือพระที่เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินดูเสนาสะนะวัดป่าเชตะวันมหาวิหารเนี่ยมีกี่หลังมีกุฏที่ไหนต่อที่ไหนพระมหาเทระองค์ไหนพักที่ไหนบ้างแต่เนี่ยก็เดินไปเขาก็ไม่รู้จักพระจักคุบาล น, นั่นคืออะไรเขาก็เดินไปไปเห็นพระตาบอดองค์หนึ่งแล้วก็เห็นท่านเดินจงกลมในทางเดินจงกลม ที่อน้องชายทําเป็นราวให้จับแล้วก็เดินจะกรมทางเตียนเนียนไปหมดแต่ก็เห็นมแมลงเม่าตายเกลื่อนไปหมดเลยพระสงฆ์เหล่านั้นก็นตําเนี่ย เ, เห็นไหมเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมในเมื่อไม่ตาบอดก็ไม่เห็นภาวนาพอตาบอดเขาแล้วทำท่าขยันพอขยันเขาว่าขยี้แมลงเม่าตายไปหมดเนี่ย มันจะคุ้มค่ามันจะได้บาปแล้วจะได้บุญก็ไม่รู้นะเห็นไหมนี่แหละพวกเรานะเมื่อเราเรายัางน้อยอยังหนุ่ม ย, ยังมียังตาดีอยู่พยายามประกอบคุณงามความดีประกอบความเพียรให้มากนะเมื่อแก่เท่าชะลาตาบอดแล้วอย่าทําเลยนะเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่รู้จะได้บาปได้บุญพระแก่องค์นี้พระในชนนบทเขาไปเห็นนะเขาก็ตําหนิไอ้พอหมอพร ะ, บบพระ ตาบอดพระจักกุบาลเหยียบมแมลงเมาตายเกินไปหมดตอนนี้เขาก็มาสนทนากันในโรงโรงฉันก็เลยพูดกันว่าเนี่ยพวกเราเดินไปชมวัดป่าเชตวัน เ, เห็นสถานที่ต่างๆในวัดป่าเชตวันก็เป็นที่ประทับใจแต่ไปเห็นที่พระจักกูบาลเหยียบมแมลงเมาเออหน้าคิดนะพวกพระสนทนากัน ตนพระพุทธเจ้าท่านได้ยินด้วยทิพโสตะคือหูทิพพระพุทธเจ้าพระองค์จะเด็จลงมาบอกว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระสงฆ์เหล่านั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพระองค์ได้เดินชมวัดป่าเชตวันไปเห็นพระแก่องค์หนึ่งตาบอดแล้วก็เหยียบแมลงเมาตายเกลื่อนไปหมดไม่รู้จะได้บุญหรือจะได้บาปในขณะที่เดินจกกมพระเจ้าข่าพระพุทองค์บอกว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพระจักคุบาลเป็นบุตรของเราท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วการกระทาออกไปท่านไม่มีเจตนาเจตนาหังพิกเวกรัรมมังวดามิการฆ่าสัตว์หรือว่าการทำร้ายทาร้ายสัตว์ถ้าว่าไม่มีเจตนาไม่เป็นอบัตมันเป็นกรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นของกรรมของสัตว์และก็เป็นของ ที่ท่านไม่มีเจตนาเพราะนั้นการฆ่าจะต้องมีเจตนาเป็นหลักถ้าไม่มีเจตนาแล้วไม่เป็นนบัตพระโต้งบอกว่านะและอีกอย่างหนึ่งพระหันพระจักกุบาลมือของท่านไม่มีแผลมือของท่านเป็นไม่มีแผลเพราะนั้นท่านคำว่ายาพิษสิ่งแปลกปลอมด้วยบาปพระกุศลไม่สามารถที่จะเข้าถึง ใจของพระหรหันได้เพราะใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นโอโหสีกรรมกรรมให้ผลสาเร็จแล้วจบแล้วไม่มีบาปมีบุญสําหรับพระหรหันนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดยกพระประจักษ์คูบานพระสงฆ์เหล่านั้นก่อนประนมมือยกมือไหว้คือว่าพระาราหันนี่ไป็ว่าเจนจบหมดทุกอย่างทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่ว พราะใจของท่านเป็นพระหรหันสิ่งที่มันชั่วจึงรู้ท่านจะไปคิดทําไมขนาดคิดก็ยังไม่คิดและจะไปทําไปพูดได้อย่างไรเพราะนั้นท่านจึงพระหรันประวัติท่านไม่ทํากรรมที่ไม่ดีกรรมดีกรรมไม่ดีท่านพร้อหมดแล้วจบหมดแล้วจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์เราท่า น, นพูดก็ทูก ขณะที่ยังน้อยยังหนุ่มอ ย, อยู่ขี้เกียจภาวนามีแต่กินแล้วนอนก่อนแลน้วเนฮนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยแต่พอเท่าแกเข้ามาแล้วกระเสือกกระสนพระสงฆ์ น, นั้นตำหนิมันก็ถูกเข้าขายทีเดียวเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราฟังเอาไว้เหมือนกันนะนี่แหละหลักำำธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มันเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติและก็พร้อมกันการอยู่ด้วยกันมากมายถ้าว่าเราคิดคิดไว้ในใจเสมอว่าเ อ, อมะมรนังเมภวาวิสติชีวิตของเราไม่ยืนยาวไม่รู้จะจากไปวันไหนเพราะในหลักธรรมคำสอนเรื่องพวกเราเห็นในสื่อต่างๆ ไม่ว่าไม่รู้ว่าเด็กไปรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าระดับไหนไม่มีใครรับประกันได้ว่า เ, เราจะอายุเท่าแก่ชาลาซะก่อนจึงจะจากไปพร้อมที่จะพร้อมที่จะจากไปได้ทุกเงื่อ ท, ทุกเวลาเพราะนั้นถ้าเรานึกคิดไว้ในใจอย่างนี้ความไม่ประมาทเรื่องการสั่งสมบุญกุศลจะเข้าพวกเราจะพร้อมอยู่เสมอว่า เราจะต้องประกอบคุณงามความดีทุกทุกริยะบททุกเวลาเรานึกได้เมื่อไรเราก็ภาวนาเมื่อนั้น เ, ออเราจะไม่ปล่อยประละเลยทำให้จิตใจของเราเออละเหยลอยลมขาดสติถ้าหากว่ามีสติอยู่กับตัวเองเมื่อไรก็เมื่อนั้นะคือการภาวนาเพราะนั้นที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราได้จังจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าจะให้สติอยู่กับตั ว, ตวเอง ให้มากที่สุดหรือตลอดเวลานี่แหละจะได้ให้พวกเรานึกคิดเอาไว้ถึงจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นแนวความคิดหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้ใช้ไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าปล่อยปาละเลยเออละเหยลอยหลบมันได้อะไรแต่ถ้าว่ามีสติอยู่กับตัวเองอย่างที่ว่าหลวงพ่อเองว่ามันได้อะไรไม่ต้องถามใครหรอก คำว่ามันได้มันได้อะไรครํานั้นไม่ต้องถามใครมันได้อยู่กับตัวเองทั้งหมดตัวเองจะภาคภูมิใจอย่างมากเราได้พูดอย่างนั้นเลยเราเราได้ฮได้อะไรได้อะไรก็อยู่ในใจของเราเราได้ก็แล้วกันมั่นใจฮเพราะฉะนั้นขอยพวกเราทุกๆ ท, ท่านเนะเรื่องภาวนาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองแท้ๆไม่ใช่สมบัติของผู้อื่นผู้ใดและก็พร้อมกันนักเรียนนัก กันครูบาอาจารย์จะเข้ามาก็คงจะถึงประมาณสักสิบโมงถึงที่นี่ก็ขอให้พวกเราทุกท่านให้ช่วยๆกันดูนะดูลูกหลานของพวกเราเนี่ยละลูกหลานของเราเหล่านี้แหละเอเป็นปเป็นทรัพยากรของชาติแล้วก็เป็นสมบัติ เ, เป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้ า, เ, าเมื่อเขาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเขาก็เห็นเป็นตัวอย่างว่า วันหนึ่งครั้งหนึ่งต้มาวัดสู่วัดของเราจากนั่นก็ได้ทำพิธีไหว้พระสมาทานศีลและได้รับโอวาทถึงหลวงพ่อจะพูดมากพูดน้อยลูกหลานก็เห็นวัดวาศาสนาวิธีกรรมพิธีการพวกเราเขาเหล่านั้นก็จะได้ประทับใจในจิตใจต่อไปภายภาคหน้าเขาก็รู้จักวิธีการที่เขามาสู่วัดวาศาสนา อันนี้ก็คือเป็นทายาทของพวกเรานี่ยแหละปลูกฝังทายาทเอาไว้นะเอ่ถ้าว่าพวกเราไม่ปลูกฝังทายาทพุทธศาสนาก็กุดด้วนไปดึไปได้มั่งกัด น, นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราปลูกฝังลูกหลานเอาไว้ศึกษาเอาไว้แนะนําเอาไว้ให้ศึกษาได้ศึกษาจากนั้นพวกลูกหลานผู้ใดมีอุปนิสัยเป็นบุญวานสนาเก่าแก่เคยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในอดีตชาตินะ เขาก็จะเห็นความเห็นคุณงามความดีเห็นบุญกุศลเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจของพวกเขาพวกเขาก็จะได้ดำเนินการต่อไปเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อยังจำไม่ลืมสมัยเป็นเด็กยมพ่อยมแม่พามาวัดบ้านหว้วยทา ย, ายวัดของหลวงตามหาบัวสมัยนั้น หลวงปู่ชิ้นทองหลวงปูล่ล่าล่า ก, ก็อยู่ที่นั่นะหลวงตามหาบัวหลวงพ่อยังเป็นเด็กตัวเล็กๆมาก็เข้ามาที่วัดก็ได้กราบพระก็ยังจำไม่ลืมกท็ทังทุกวันนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีสำหรับพวกลูกพวกหลานที่จะเป็นทายาทของพวกเรานะอันต่อนน้ไปพไปสง่งอนุโมทนาให้พรรับพรในตรีนะ้ะ